เนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังดังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้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 บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนน่าทำน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสัทธา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเราเรานำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนายเศษฐาทวีสินเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุมสมัชชาสชากยาชิ สมัยสามัญครั้งที่78นะครับที่กรุงนิวยอร์กของอเมริกาและในช่วงของการประชุมนี้ก็ได้มีเวทีเจรจาพูดคุยกับทั้งผู้นำภาครัฐภาคเอกชนหลากหลายเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะดึงนักลงทุนเนี่ยกลับมาลงทุนในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็เป็นความเคลื่อนไหวของของนายงตรี อย่างเช่นวันที่19กันยายนเนี่ยนายกตรีอ่าก็นอกจากที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วก็ยังมีการร่วมประชุมะระดับผู้นําว่าด้วยการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศนะครับอ่าแล้วก็มีการหาเหลือกับนายกมตรีเวียดนามนะครับนายฟาร์มมิงจิงนะครับนะก็อาจจะเจราจาเกี่ยวกับเรื่องอของการลงทุนแลกเปลี่ยนการค้าการขายกัน นะครับนะแล้วก็ยัง <c oughs> มีการประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนด้วยนะครับแล้ววันที่19เกในช่วงบ่ายได้หาเรือกับประธานสหาหพันธ์ฟุตบอล น, นานาชาติหรือฟีฟานายจอนนี่อิงฟานนิโต้อาจจะหารือเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือทางด้านการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ฟุตบอลก็เป็นความคืบหน้าแครับเพราะว่าเราก็มีสโมสร ฟุตบอลชั้นนำอยู่หลายสโมสรเหมือ น, น, นกันและนอกจากนี้ยังนายกหาลือกับนายประธานดีของเกาหลีนะเกาหลีใต้นะในยุนซอกยอนนะอาจจะต้องความหาลือเกี่ยวกับเรื่องของการให้เกาหลีมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่แล้วครับผลิตทั้งนะรถยนต์ทั้งโทรศรัพท์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ยังมีการพบปะหารือกับสภาธุรกิจสหรัฐเมกานะเพื่อที่จะดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุนยังประเทศไทยนะโดยเฉพาะได้ไประชุมกับซีออของบริษัท Back โลกซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการเงินการลงทุนของโลกนะครับนะนะเพื่อที่จะนะดึงว่าให้ b a c k โลกเนะี่ยเข้ามาสนับสนุนการลงทุนนะขนาดกลางขนาดใหญ่ในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าเป็นเป็นแนวโน้มที่ เราจะส่งเสริมการลงทุนนะเอื้ออโดยความสะดวกะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นี่ก็พยายามที่จะดึงกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามานะครับแนตะ่ซึ่งประเทศที่ประสบผลผลิก็คือสิงคโปร์แหะครับนะมักจะดึงกองทุนทางตะวันตกมาลงทุนกับตัวเองได้มากนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ได้เจรจากับในส่วนของของผู้นำของภ่าภาครัฐภาคเอกชน นะก็เป็นสิ่งที่ดีแลละครับนะและการกล่าวปลาใสในในที่ประชุมสหัรชาชาติก็ยืนยืนยันว่านายยงตีก็บอกว่าเราจ ะ, ะพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG มาเป็นแนวทางนะครับนะเพราะว่าจะเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาเพราะฉะนั้นนี่ก็นายกรประกาศในที่ประชุมของ ในส่วนของสาวิรชาตนะิแล้วยังมีการพยายามที่จะเจราจากับอีลอนมัสก์นะครับนะซึนะ่งเป็นซ e o ของบริษัท ร, รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกคือเทสลาพยายามที่จะดึงเทสลามาผลิตร ถ, รถยนต์ไฟฟ้าในในประเทศไทยก็คงจะต้องแข่งกับทางอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียนี่ ก, ก, ก็พยายามที่จะดึงเทสลาเข้าไป นะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็เป็นรถยนต์ของอนาคตลวครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภารกิจในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับพยายามที่จะไปเจรจากับมิตรประเทศนะผู้นำประเทศต่างๆนะเพื่อที่จะดึงการลงทุนเข้ามานะซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เป็นบทบาทของผู้นำที่ต้องทำอย่า ง, างเร่งด่วนนะครับในสภาวะที่เศรษฐกิจนะของโลกในะตอนนี้ก็ ชะลอตัวหลายประเทศนพยายามที่จะปรับตัวในการที่จะดึงการลงทุนเนี่ยมาในบ้านของเรานะครับนะแล้วฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของบทภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับ ความรักไม่ไกลห่างเงา นี่ ยกันต่อนะครับนะในในส่วนของประเทศไทยเรานี่ก็มีข่าวดีที่ในส่วนของ <c oughs> ที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโกนะครับที่มาประชุมกันที่ซาอุดิอาระเบียนี่ก็ประกาศรับรองนะขึ้นยกย่องเมืองเก่าสีเทพนะของไทยเรานะขึ้นเป็นมรดกโลกนะก็เป็นการยกย่องอ ในรอบทางโบราณสถานเนี่ยในรอบ30ปีแล้วครับนะที่เราว่างเว้นกันมานะหลายสิบปีเลยทีเดียวต้องแต่กรณีบ้านเชียงนะที่ได้รับการนะยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับนะแล้วก็ว่างเว้นกันมานะยังยังไม่ได้มีนะทางโบราณสถานนะครับทางด้านวัฒนธรรมเลยนะก็มาเมืองเก่าสีเทพนะซึ่งนะตั้งอยู่ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะก็อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนะครับติดกับอำเภอชัยบาดาลของลบบุรีนะครับซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าในในแถบนั้นนี่นะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อในในสมัยโบราณนี่ก็ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดเป็นเมืองที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับในการติดต่อค้าขายกันนะครับแล้วก็ ก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าในอดีตเนี่นะครับนะเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่นี่ก็มีอาณาจักรโบราณนะที่ที่อยู่แถวอีสานนะครับนะแล้วก็ทางใต้แล้วก็ทางภาคกลางนะครับซึ่งทางอีสานเราก็รู้กันว่าเป็ น, นจเจนละนะครับอาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเป็นอนาณาจักรที่โบราณเก่าเก่าก่อนก่อนที่จะเกิดอาณาจักร กับกัมพูชาหรือขมห้นโบราณนี่ก็มีเจนละมามีฟูนานเจนละมาก่อนนะครับแล้วก็ทางในส่วนนี้นี่ก็ถัดมาแถวภาคกลางนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนี่เชื่อมมาทางอีสานบนนี่ก็จะเป็นทวาราวดีนะนะทวาราวดีนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในประมาณพุทธศตวรรษที่ส1บเถึงนี่แหละครับนะนะคือใ น, ในยุคของอนาณาจักรของ ของโบราณนะครับที่เจริญรุ่งเรืองนี่ก็อย่างที่เรารับทราบกันดูว่าดันดีว่าจะเป็นพุทธศตวรรษที่1 5บหนะถึงสินะก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองของนควรวัดนครทองประสาทินพนมลุ่งนะเมืองต่ําอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็อยูนะ่ประมาณพุทธศตวรรษที่1 5บหถึงสิง 18, นะครับนะสมัยใช้วรามันที่สองถึงช้ยวรามันที่7นะแต่ว่าในส่วนของสีเทพนี่ก็เป็นก่อนหน้านั้นเป็นทวรารวดีนะครับซึ่ง ก็มีนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเป็นยุคที่เราได้รับอิทธิพลนะครับในส่วนของพุทธศาสนาทั้งเทรวาตั้งมหายานมาก่อนนะครับในช่วงจากอินเดียโบราณนะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับอิทธิพลจากอินเดียทางตอนใต้ทางตอนกลางนี่แหละครับนะเพราะว่าดูจากศีลาจารึกหรือภาพสลักของ จารึกต่างๆนะที่อยู่ในแถบอีสานแล้วก็ในสด็จในส่วนของภาคกลางภาคหนือก็จะเห็นความเก่าแก่เพราะฉะนั้นในสีเทพนีนก็ถือว่าเก่าแก่มากนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็นเป็นเมืองมีความเป็นเมืองสูงนะโดยเฉพาะบริเวณแถวเขาคลังคลังนอกซึ่งเป็นเหมือนกับพีระมิดนะครับนะขนาดใหญ่นี่นะครับนะก็เป็นใหญ่มากก็เท่ากับบุรพุธทโธทของอินโดนีเซียนะครับมีความเก่าแก่และมีความสําคัญมากนะก็คงจะต้อง มีการทําประวัติให้เป็นให้เป็นระบบแล้วก็อาจจะต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะแต่ก็ถือว่าในส่วนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะของการจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประนันจักรโบราณ น, นี่ก็จะเป็นเชื่อมต่อกันหมดแหละครับนะในส่วนของสีเทพนี่ก็จะเป็นอนัาจากโบราณที่จะเชื่อมต่อกับในส่วนของ อาณาจักรศรีชนะสะนะแถวเมืองเสมานะครับเมืองเก่าเสมาแถวอำเภอสูงเนินนะแถวโคราชเนี่ยนะครับนะเชื่อมต่อกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นเมืองโบราณนะเมืองเสมาเนี่ยนะครับนะแถวอำเภอสูงเนินเนี่ยครับแถวโคราชเนี่ยก็เป็นเมืองโบราณเหมือนกันแล้วก็เชื่อมมาในส่วนของพิมายนะครับนะซึ่งก็เป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นปะศาสตรหินนะถือว่าพิมายนี่ก็ถือว่าเป็นในยุคของ อาณาจักรของโบราณนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วครับนะแล้วก็ตามรูปแม่น้ํามูลทั้งหมดนี่ก็เป็นเป็นอนาณาจักรโบราณนะครับนะั่นที่รุ่งเรืองมา ก, ก่อนนะครับนะก่อนขอม อ, อีกนะครับนะขึ่งก็จะเป็นอนาณาจักรโบราณนะครับที่มีการค้นพบจารึกไม่ว่าจะเป็นพิมายพุทธโสงนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพุทธโสงก็พุทธิมทธสมันนะครับนะของบุรีลำรวมทั้งพนมลุ่งเมืองต่าเนี่ยนะก็เชื่อมโยงกันนะครับนะจริงๆแล้วก็ เชื่อมโยงกันไปหมดแล้วครับนะจากโบราณซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีคําว่าประเทศนะยังมีการเชื่อมโยงรวมทั้งทางใต้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอณาจักรสีวิชัยแถวสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีเมืองโบราณนะเพราะฉะนั้นนี่ในอดีตนี่ก็เชื่อมโยงกันทางทางศาสนานะครับทางศาสนาตนะัาง้งพุทธและก็ฮินดูเนี่ยปนปะปนกันไปนะครับนะในส่วนของสีเทพใ น, ในยุคแรกนี่ก็เป็นเป็นศาสนาพุทธ นะครับนะเป็นศาสนาพุทธมากอ่อนนะอาจจะได้รับอิอทธิพลมาจากทางในส่วนของอินเดียนะครับนะนะซึ่งหลายคนก็มองว่ า, าสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับมหาวิเลยนารันทาซึ่งเป็นมาเลยพุทธศาสนานะแห่งแรกนะของของของในสมัยพุพทธองค์นี่แหละครับนะนะอยู่แถวแถวรัฐพิหารของอินเดียนะครับนะซึ่งมีสิ่งกอ่อสร้างมีสถาปัตย์ที่คล้ายเคีงกันไว้อย่างนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของสีเทพรับอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยมาจากในช่วงที่อาณาจักรขอมโบราณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนี่แหละครับนะชัยวรมันที่2ที่ ส, สจนถึงชัยวรมันที่7 เ, เนี่ยก็แผ่ขยายไปถึงสีเทพเหมือนกันนะเพราะจะมีป ล, ปลางปงประธานปรางอิดปรางน้อยอะไรต่างๆ่านี่นครับถึงเป็นสาร์ปัญญ์ขอมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงกันก็จะต้อง มีการเชื่อมโยงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่อธิบายก็เชื่อมโยงกันไปส่งเสริมกันท่อ ง, งเที่ยวที่จะเชื่อมโยงก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะของแต่ละส่วนที่จะช่วยกันให้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี่ฟื้นฟูขึ้นมาสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชุดจะสั้นเพราะควันบุดีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนัา น, านต้องขอ ละท่านสมก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ